หนือตัวนะจำนวนจุดใจนะเรามายังสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงพระธรรมเทศนาแสดงธรรมโปรดปัญเจวคีสแสดงธรรมครั้งแรกดิฉันเรียกว่าทรมาจากรรมาจากขับประวัติณนสะุธท ร, รมาจากจับมือหนทยถึงกลมน้อ กลงล้อทำมาจากก็คือกลงล้อแห่งธรรมกลงล้อของพระธรรมเี๋พระพุทธเจ้าหมุนกลงล้อแห่งธรรมให้ธรรมะนี่มันเคลื่อนไปให้มันขยายไปเคลื่อนที่ไปแห่ไปสารไปพระอาณาจักรเอาไม้ส ว, ว่างกลงล้อหรรแห่งอำนาจแห่อำนาจขยายอํานาจ เราลองทำความรู้สึกเหมือนกับว่าจะลึกถึงภาพมนุาพภาพในใจที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาบริเวณนี้ก็เป็นป่าเรียกว่าป่าอีสิปะตะมลึกขทาายวันเป็นป่าของเราฤาษีแสดงว่าต้องเป็นสถานที่บาเพ็ญพุทางอีกใจา จิตใจคนข้าทางด้านจิตใจ พระองค์เนี่ยเข้าใจแน่นอนก็นมาถึงตรงนี้ก็เลยต้องมาทาความเข้าใจกับปัญจวัคคีทั้งห้าว่าไอทางที่มันมันทรมานตนที่มันต้องอดอาหารเนี่ยอดอาหารที่มันต้องทรมานกายบีบคั้นร่างกายมันไม่ใช่ไอร่างกายอ่ะมันเป็นธรรมาชาติมันอยู่ของมัน มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งมันอยู่ของมันไม่จาเป็นต้องไปทำลายมันไม่จาเป็นต้องไปทรมานมันเนี่ยอย่างในสมัยนี้ก็ยังมีที่ยมที่ต่างๆทรมานร่างกายคิดว่าการมีร่างกายเนี่ยมันต้องไปทำเพื่อร่างกายแสวงหามาเพื่อร่างกายให้ร่างกายนี่แหละที่มันเป็นต้นตอแห่งความทุกข์ทั้งพวงต้องทรมานร่างกาย ต้อทําลายร่างกายแต่ว่าเขาเข้าไม่ถึงว่ะไอเหตุที่แท้จริงก็คืออุปาทานคือความลุ่มหลงนี่ที่ไปลุ่มหลงร่างกายเนที่ไปยึดไปเกาะไปเกี่ยวในในในรูปประคันเนี่ยในร่างกายเนี่ยในธาตุดินน้ำลมไฟนี้ต่างหากที่มันเป็นทุกข์เนี่ยส่วนใหญ่เขายังส่งนอกด้วแล้วส่ ง, งออกไปเข้าใจผิดเนี่ย คิดว่าเออการมีร่างกายนี่นะเราต้องหาอาหารมาเพื่อร่างกายบำรุงบำเรอปนเปล่าร่างกาย ต, ต้องหาหนีหาหนีมาก็เพรมีร่างกายเพราะฉนั้นทรมาณร่างกายให้หนักเลยให้มันหนักหนักแล้วกิเลส ก, ก็คงจะเบาบางไปแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านลองมาแล้วท่านรู้แล้วแต่ท่านก็เข้าใจด้วยว่าปันเจ้าวักคีนี้ก็รุ่มหลงเห็นเท้าองค์เนี่ยปวดอา อลมานตัวเองด้วยตับบัตที่แข็งแกร่งด้วยพลังจิตที่เข้มขจนปัญจวัคคีเนี่ยเชื่อแน่ว่าด้วยวิธีนี้พระพุทธเจ้าต้องกบรบสนูเนี่ยเพราะพระไทยเด็กเกียวมากเข้มแข็ ง, ขงมากไม่มีใครที่จะสามารถมีจิตใจเข้มแข็ ง, ขงเหมือนพระองค์ละ พอทุ่มเทด้วยความเคารพด้วยความศรัทธาแต่พอพระองค์พบแล้วว่ามันไม่ใช่ทางเราต้งมาปลดให้จิตมีติกลางเขาสึงทางสายกลาเขาถึงปืนปืนหน่ายลายความเคารพลายความเชี่อแล้วจึหนีมาที่นี่แล้วพระพุทธเจ้าก็ยังรู้ต่อไปอีกว่าในการที่จะให้จิตเนี่ยมันเกิดสังยสุขอะสังเวยสุยังลึกซึ้งขนาดไหนก็ตามอะ มันก็ไม่ใด้ทานอยู่ดีนึกถึงในสมัยนั้นน่ะสูงที่สุดก็คือว่าจิตสงบลึกซึ้งถึงที่สุดแล้วก็ไปอยู่กับลม <c oughs> เนี่ยความสุขภายในจิตใจแท้ๆซึ่งเขาถือว่าสูงสุดแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยมองทะลุเข้าไปถึงว่ามันก็คือความว่างเปล่าจิตใจก็ไม่ได้มีตัวตนอะไรจริงๆมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นเอง อย่าใครจะไปเข้าถึงได้ถ้าไม่ใช่พระุูตเจ้าเพราะฉะนั้นไอ้สองทางนี้พระคุเจ้าจึงสอนทันทีเลยว่าทางที่มันมันพรมานตมเนี่ยทำตัวเองให้เป็นทุกข์อัปตะกิรมาานุโยกก็ไม่ใช่ทางที่เจะสเสกสวยสุขตั้งใจหยับหยาบจนกระทั่งสุขละเอียดเข้าไปแค่ไหนก็ตามมันก็เป็นทางที่ทำให้สิบสิเข้าลุ่มหลง มันไม่ใช่ทางประจังสองทางเนี่ยมันเป็นเพราะความหลงผิดทางสองทางทางหนึ่งก็หลงเข้าใจผิดว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้จิตเนี่ยไปติดไปครอบต้องทำร้ายร่างกายซึ่งไม่ถูกต้องพระพู้เจ้าสอนให้เข้ามาหาจิตเนี่ยเข้ามาให้รู้แจ้งความจริงไม่ให้จิตไปยึด ไปรุ่มไปหลงไปติดไปคล้องจนมีอุปทานในเรื่องรูปในเรื่องร่างกายแล้วขณะเดียวกันพระ อ, องค์ก็สอนไม่ให้ไปยึดไปติดไปข้องในความสุขเหมือนกันมันต้องเข้ามาที่จิตไม่ให้จิตไปรุ่มไปหลงไม่หลงแม้กระทั่งยึจิตว่าเป็นตัวเราว่าจิตเนี่ยที่มีอยู่นี่ต้องไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าหรือกับพระพรหมอะไรอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ต้องเข้ามาเห็นแจ้ง มางไล่ร่างกายซึ่งเป็นรูปประทัดจิตใจซึ่งเป็นนามะาธาตุเนี้ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็คือปรับจิตของหลักของของทันตวิคีเนี่ยให้เข้ามาอยู่ตรงกลางตรงกลางก็คือจิตที่ไม่ดีไี่ยินร้ายจิตที่ไม่ซัดตายไปทางไหนเหมือนแต่จิตเราขนาดเนี้ยถ้าจิตของเราเริ่มสนนงบจิตของเราเริ่มเป็นกลางกลางได้ เนี่ยมันเป็นสายเป็นทางสายกลางที่อยู่ภายในอ่ะมัชฌิมาปฏิปทาอันนี้มันเป็นทางของจิตมันไม่ใช่ทางของกายไม่ใช่ทางของรูปมันเป็นทางของจิตเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าเราอยากเดินทางสายกลางให้ตรงทางของพระพุทธเจ้าก็ต้องกรับจิตของเราให้เป็นทางกลางไม่ให้ยินดีไม่ให้ร้าย เราเข้าใจสาละในคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจพระประสงของพระพุทธเจ้าเราจะไม่มาตกเพียงกันเรื่องิริยาการขายนอกเรื่องท่วงทำนองขายนอกต้องเดินช้าต้องไปพูดกับใครต้องเดินเร็วหรือว่าต้องทรมานอย่างนั้นอย่างนี้ต้องเคร่งอย่างนั้นต้องเครียดอย่างนี้ไม่ใช่ ต้องเป็นกลางกลางคือจิตส่วนกริยาการภายนอกใครจะอยู่ยังไงก็อยูไ่ได้วันนั้นบางทีเราผ่านไปเห็นตางคณะออกเดินช้าๆเดินช้าๆพยายามมีสจิถ้าหาว่าการกระทํำของเขามีจิตใจที่เป็นกลางมีจิตใจที่ไม่ไปทางซ้ายไม่ไปทางขวาคืออยู่ตรงกลางไม่ดีไม่ยายกลับจิตให้สงบ รู้ตัวความตื่นตัวอยู่ภายในความเพี้ยนชักอยู่ภายในเห็นสพัพจริงเนี่ยมันก็เป็นภาวะซึ่งเป็นอยู่ตามธรรมชาติเกิดแล้วกระักเกิดขึ้นตั้งอยู่กระตัไนไปอันนั้นละ่ะมันจะเป็นทางของเขาเหมือนกันส่วนถ้าเดินอยู่ก็ตามทำนู่นทำนี่อยู่ก็ตามแต่ขนาดนั้นอ่ะอิจของเขาก็อเปในภาวะ ปฏิบัติเหมือนไม่ได้ปฏิบัติจะไปดููเขาก็ไม่ได้เขาไม่เช่เขาไม่ได้ปฏิบัติเขาไม่เหมือนของจริฉันจะต้องอยู่ในไอะไรบริเวณที่กำหเท่านั้นต้องอในสามทางนี้เท่านั้นอันนี้ก็ไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับว่าจิตของแต่ละคนะมันอยู่ในภาวะไหนที่มันต้องเป็นกลางๆซะก่อนคือไม่ยินดีไม่ยินร้าย ไม่เป็นหลงเข้าใจผิดว่าต้องทําลายร่างกายทรมานร่างกายแล้วมันจริงจะเป็นทางที่จะหลุดพ้นทางที่จะดับทุกข์ไปจะจิตใจไม่ใช่หรือไม่ใช่ว่าจะต้องให้จิตเนี่ยดิ่งเข้าไปอยู่กับความสุขความสงบเท่านั้นทําอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะไม่งั้นแล้วมันจะเป็นทุกข์มันจะไม่มีความสุขมันก็ไม่ใช่ แต่ว่าขั้นตอนของการปฏิบัติเนี่ยถ้าหาว่าเราเข้าใจแล้วเราเพียงแต่ทาเหตุแล้วก็สังเกตไปเรื่อยๆส่วนการปฏิบัติเนี่ยอีกก็ดำเนินไปคือพยายามให้จิตเนี่ยเป็นกลางๆไว้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันจะผ่านอะไรในระหว่างนั้นเราก็ปล่อยเป็นเรื่องของสภาวะธรรมเราจะค่อยๆเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้า <c oughs> ลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นทางในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตัดเอาไว้เหมือนกันในสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่พระองค์บอกว่ามีพระองค์เป็นกัลยาณมิตรหมายว่าให้ไปหาพระองค์ถ้าพระองค์ยังมีชีวิตยอยู่ไปหาพระองค์ไปหาสัตบุรุษไปหากัลยาณมิตรคือผู้ที่มีคุณธรรมผู้ที่รู้จริงอย่างพระพุทธเจ้านี่เป็นที่ยอมรับ ว่าพราะองค์รู้จริงดับทุกข์ได้จริงภายใน จ, ใจิตใจแล้วให้สดับพระสัตว์ธรรมคือฟังธรรมของของพระพุทธเจ้าเมื่อฟังธรรมแล้วเข้าใจแล้วต้องมีอยู่ในโสมนัสจิตการอย่างเราไข่ควรในจิตใจเนี่ยใครควรทำความเข้าใจคือถ้าจิตมันมีกําลังนะจิตมันตั้งมั่นมันสามารถไข่ควรภายในจิตใจได้ แต่ถ้าจิตมันยังความสงบไม่พอสติไม่พอสมาธิไม่พอความตั้งมั่นไม่พอมันคิดไม่ได้มันให้ควรไม่ได้มันจะหลุดไปมันจะเพลินไปเหลอไปสติขาดไปความรู้สึกตัวก็ไม่ต่อนเนี่ยเนี่ยงานทางจิตเนี่ยมันก็ทํามไม่ได้แต่ถ้าหาว่ายามใดจิตเรามีพลังจิตเรามีกําลังคือกําลังของสตินี่มันควบคุมจิต ให้มันมั่นคงอยู่ในตัวเราได้จิตมันตั้งมั่นขึ้นมาได้ยามนั้นแม้คิดเนี่ยไอความคิดเนี่ยมันอยู่ในออกของสติของเราเราสามารถที่จะควบคุมจิตให้คิดจนเกิดความเข้าใจได้จนจบเรื่องจบเราได้ความกระจ่างแจ้งภายในจิตใจเราเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วจิตของเราเนี่ยมันจะมีความตั้งมั่น พลังแห่งความตั้งมั่นเนี่ยมันจะเป็นอุเบกขาแล้วมันสามารถเข้าใจทุกอย่างเห็นว่าัตถุขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้ากําลังไม่พอเนี่ยยังทําไม่ได้เนี่ออยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในความเพียงมันยึงจับเป็นนะส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติกันเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นจะเป็นปฏิปทานสิมันไม่ถึงขั้นที่จะมีพลังพอที่จะมา มันยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่าเอามีสติรักษาจิตสงบสงบสบายแล้วเราก็เอไปทําอย่างอื่นนะหรือว่าคิดว่าเป็นมัชเป็นผลก็มีมีอันนี้มันยังไม่ถึงขั้นมันยังอยู่ในขั้นต้นๆอยู่อที่ปฏิบัติกันเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นเพราะผู้ที่จะเข้าถึงปริยมรรคขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องขับเกาดด่าทุกเจ้า จิตใจในสองฟองสองมุมันอย่างปัญจวัคีทั้งหาเนี่ยท่านรู้เทมากก็คือหวังทุกพระพุทธเจ้าเองเรียกว่าสลับทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันความเข้าอกเข้าใจก็พอสมควรละในเรื่องของโลกที่มาหมดนเหมือกยยันอยากอาญาปุญญาเนี่ยตั้งแต่พระพุทธเจ้าอุบาสกมาปฏิสู์แล้วเนี่ยก็เป็นทามคนเอามหนุ่มที่ไปทายกทากรพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ย จะต้องออกบวชนี่ยจะต้องเป็นศาสดาเองของโลกเท่านั้นเนท่านก็มารอเลยอ่ะมารออันเจ้วัคคีอื่นก็เป็นลูกของพรามณ์ด้วยกันนั่นแหละที่ไปพยากรพระพุทธเจ้านั่นแหละตามออกมาเพื่อที่จะอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่ตัวเองจะเอามาปฏิบัติแล้วดับทุกข์ภายในจิตใจเรานี่คือจิตมันพร้อมหมดแล้วมีความมุ่งมั่นมีความแน่วแน่ภายในจิตใจ แต่ว่ายังไม่รู้ทางเท่านั้นเองเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยยังไม่มีใครรู้มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่รู้เมื่อพระเจ้าประกาศทำสอนทำพอปัญจวคียเนี่ยฟังเวลาฟังท่านก็ฟังด้วยจิตใจพอตอนแรกไม่ลงให้ตอนหลังจึงได้ลงให้เนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยไอไอธรรมะเนี่ยมันมันก็จําเป็นจะต้องเปิดเผยกันต้องพูดกันอย่างจริงจังอ ให้ให้มันถึงใจของผู้ฟังเนีะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ต้องประกาศตัวเองเนี่ยเพราะฉ<น>ะนั้นบางทีผู้ที่ถึงคำจริงๆเนี่ยจําเป็นต้องพูดเหมือนกันถ้าเพื่อประโยชน์ของผู้ฟังแล้วเมันไม่มีหลอกจิตใจที่หวังจะอวดอะไรกันเนี่ยคือมันไม่มีอะไรแล้วไม่รู้จะอวดอะไรกันมีอย่างเดียวก็คือให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่เนี่ยพอพระเจ้าเริ่มสอนธรรมะ จิตใจของปัญจวัคคีย์ทั้งหากาปร้อมที่จะฟังพอพระ อ, องค์บอกว่าเออทางหนึ่งก็เป็นทางที่มันมันทรมานตนน่ะเป็นทางทําแท่ให้ตัวเองเป็นทุกข์มันก็สุดโต่งมันไม่ใช่ทางอีกด้านหนึ่งติดสุขน่ะมีแต่จะเอาความสุขในทางโลกทางวัตถุหรือว่าทางจิตใจที่มันมีแต่ความลึกซึ้งดิ่งอยู่ในความสงบอย่างเดียวก็ยังไม่ใช่ เพราะฉะนั้นจะต้องมาทางสายกลางคือจิตใจตั้งมั่นเป็นกลางกลงไม่ยินดีไม่ยินร้ายสติในควบคุมจิตอยู่ได้ไม่ว่าจิตจะเคลื่อนไหวไปทางไหนมันจะรู้ทันเนี่ยรู้เนี่ยมันจะเข้ามารู้ที่จิตเนี่ยคือร่างกายเนี่ยมันก็เห็นว่ามันเป็นมันก็จับไปว่ากายอะ่ะถ้าหากว่ากําลังไม่พอมันก็ต้องดูกายไปอะ่ะดูลมบ้างแล้วแต่อันไหนชัดเจนคุณงานไหนชัดเจนอะลง ม, มาดูลมไปก่อนพอดูลมแล้ว จิตมีกำลังขึ้นมามันจะมาดูจิตมุมมองมุมมองภายในจิตมันจะเปลี่ยนไปบางทีก็ดูลมแล้วก็มันก็พลิกมาดูจิตเปลี่ยนมาดูจิตบางทีเวทนามาอีกเวทนาเนี่ยมันมีกำลังมากกว่าจิตมันสามารถดึงดูจิตเนี่ยให้ไปสนใจเวทนาเราก็ดูไปพอจิตมีกำลังมันจะถอยมาดูจิตอีกเนี่ยแม้จิตเองก็เหมือนกัน บางทีจิตมันเด่นขึ้นมามันวางทุกอย่างแล้วมันก็มาดูจิตมนรู้อยู่ที่จิตแต่ทีนี้ถ้าหาว่าพลังมันมากพอจริงๆเนี่ยมันจะรู้ทุกอย่างมันรู้ทุกอย่างแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏกรามที่เกิดขึ้นไม่มีผลต่อจิตอย่างขนาดเนี้ยอย่างเสียงดังก็มีรอบข้างเราอ่ะเสียงกรองก็มีเสียงคนบนพื้นพัมพมอะไรก็มี แต่ว่ามันไม่เข้ามาในจิตของเราเราไม่รู้สึดราคาญเราไม่รู้สึกเดือดร้อนนี่ก็คือจิตของเราเนี่ยมันเจ็บจ่ออยู่กับการปฏิบัติเนี่ยเพราะอะไรเพราะกําลังใจของเรามันมากพลังแห่งปรัทธาของเราที่มุ่งมาสแสวงหาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีพลังมากยิ่งเรามายังสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมครั้งแรกเนี่ย มันก็เราก็เหมือนกันเนี่ยได้มาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมะในอดีตที่พระพุทธเจ้าสอนปําจวัคคีดังรรมะมันก็สืบทอดมาถึงพวกเรามันก็เป็นธรรมะอันเดียวกันนั่นแหละก็คือเพื่อที่จะให้จิตใจของเราเนี่ยเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วเพื่อให้จิตใจเราเป็นกลางกลางเพื่อให้จิตใจเนี่ยไม่หลงยินดียินร้ยนายพอ จิตของปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยมีความพร้อมและจิตเป็นกลางกลางแจิตมีความตั้งมั่นแล้ว เ, เพระพุทธเจ้าก็มาสอนให้เห็นว่าเรื่องรูปเนี่ยรูปเนี่ยร่างกายเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกันมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันก็มาที่ขันห้านี่แหละคือสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นเรานี่หละเวทนามันก็ไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์ มันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเหมือนกันสัญญามันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเหมือนกันสังขารที่มันปรุงแต่งจิตเราเรื่องเราต่างๆที่มันปรุงแต่งจิตเราเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเวลาจิตเราเนี่ยพอมันเข้ามาอยู่กับตัวเราได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือขันห้านี่แหละทจริงมันเป็นธรรมชาติเฉยๆนะมันไม่ได้บอกว่ามันเป็นขันห้า มันไม่ได้บอกว่ามันเป็นเราแต่ความรู้สึกของเราต่างหากที่เข้าไปเข้าไปหมายมั่นเข้าไปตัดสินว่านี่เป็นของเราหลุดร่างกายก็เป็นของเราความคิดก็เป็นของเราสัญญาก็เป็นของเราเวทนาเป็นของเรารวมๆแล้วกายกับใจเนี่ยมันเป็นเราอยู่แล้วเนี่ยโดยความรู้สึกอ่ะนี่คือความหลงที่ จริงมันไม่ใช่ที่พระเจ้าอุบัติขึ้นมาเนี่ยที่พระเจ้ า, ากลับตื่รู้แล้วเนี่ยพระเจ้าก็พยายามที่จะสอนอันนี้แหละแก่ปัญจวัคคีทั้งหว่ายร่างกายจิตใจเนี่ยมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวเราสิ่งที่สมมุติว่าเป็นเราเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นการเกิดขึ้นของมันเนี่ยที่จริงมันเป็นสภาวะแห่งธรรมาชาติมันเกิดขึ้นของมัน แล้วมันก็ดับไปของมันมันเปลี่ยนแปลงของมันมันยักเยื้องไปยังไงก็เป็นธรรมชาติของมันแต่ใจเราที่ไปตัดสินว่าเป็นของเราใจเราที่ไปหลงยึดว่าเป็นของเราตรงนี้คือปัญหาพระเจ้าก็ชี้ลงตรงนี้แหละพอพระเจ้าย้ำลงไปย้ำลงไปอ่ะอัญญาโกลัญญานี่อินทร์บารมีของท่านแตกนะ้าก็อะไรเพราะว่า อัญญาปนัญญาเนี่ยเวลาท่านต า, านสมัยที่ท่านทำอย่งสร้างบารมีอ่ะเวลาท่านมีอะไรท่านจะรีบทานนะมันก็มีอิทิชาติหนึ่งนะท่านมีน้องชายท่านก็เป็นพี่ชายก็พากาาันทํานาแล้วก็แบ่งกันนะแบ่งนากันแล้วก็ทํากันในส่วนของอัญญาปนัญญาเนี่ยพอข้าวเริ่ม เริ่มจะมีน้ํานมเนี่ยก็ชวนน้องล่อเอิญเนาะเอ อ, นะเ อ, อให้พวกเราเนี่ยเอาข้าวเนี่ยทำทำเป็นข้าวน้ํานมเนี่ยเร็วก็ไปถวายพระปัจเจกับพุทธเจ้ า, ากันดีกว่านะน้องไม่เอาน้องหมอจะรอให้เก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วจะทำบุญใหญ่ทีเดียวเลยก็ได้แต่พแต่อันญาคนสัญญานี่ไม่พอพร้อมที่จะทําเป็นน้ํานมก็เอาเอาไปทําข้าวน้ํานม นีแล้วก็เอาไปถวายพระถวายพระบัจเจีพระุทธเจ้าอะไรทํานองนี้แหละเนี่ยในสมยทอข้าวมันเริ่มแก่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งสมัยนี้ก็อาจจะเรียกว่าเป็นข้าวเม่าอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ไปชวนน้องอีกว่าเออตอนนี้ข้าวเนี่ยพร้อมแล้วนะเนี่ยพอจะทําเป็นข้าวเม่าอะไรที่เป็นอาหารของพระของพระบัจจกพระพุทธเจ้าได้แล้วเราเอาเอ า, เอาข้าวเนี่ยไปทําบุญกันเถอะน้องไม่เอาแต่อัญญากกนธัญญานี่เอาไปถวาย มันก็ขยับเหมือนเลยคือข้า้วขึ้นมาพอที่จะเป็นเข้าวหางอะไรได้ก็เอาไปถวายอีกรวมกระทั่งเก็บเกี่ยวทั้งหมดเก้าครั้งเนี่ยน้องชายเนี่ยพอเก็บเกี่ยวแล้วไปถวายครั้งเดียวเลยแต่อัญญากรทัญญาเนี่ยถวายแล้วก็ปรารถนาที่จะบรรลุธรรมเนี่ยเร็วกว่าคนอื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นพอฟังท่าน ฟ, ฟังธรรมมาถึงตอนนี้อินทร์บาลมีแก่กล้า ด้วยไอไอบารมีที่บำเพ็ญมาเนี่ยสติมันก็ยั่งเข้าไปพอพวะอาจรสอนว่าจริงเรล่าเนี้ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอ่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอัญญากนสัญญาเนี่ยแจ้งชัดเลยเห็นพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจริงจริมันเห็นด้วยจิตนะเห็นด้วยิแจ้งชัดด้วยจิตเนี่ย คือจิตเนี่ยเวลามันเหมือนกับมีปัญญายาณหรือวิปัสนาญาณเขาเรียกว่ายานอย่างรู้มันเข้าไปแจ้งตรงเนี้ยโดยที่เราไม่ต้องไปคิดหรอกเราไม่มีเราในขณะนั้นด้วยมันเป็นเหมือนกับว่าสาภาวะธรรมมันมันมีความลงตัวของมันเองมันเป็นเองความเป็นตัวเราจะไม่มีทุกสรรพสิ่งเนี่ยมันเหมือนมีความพอมเหมือนมันลงตัว เพราะนมันมีความพอดีจิตมันก็แจ้งชัดขึ้นมาเนี่ยท่านก็อุทานขึ้นมาในจิตเนี่ยคือจิตมันรู้แล้วมันก็พัลณาขึ้นมาในจิตได้เรียกว่าอุทามก็ได้ยังจิตสมุนไพรทำมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยจิตเนี่ยมันมันมันต้องเห็นเนี่ยมันต้อง แต่ละคนแต่ละคนเนี่ยถึงจะมีสภาวะอะไรที่แตกต่างกันบ้างในรายละเอียดแต่ด้วยความชัดแจ้งปัจจักษอยู่ในจิตใจเนี่ยความชัดเจนชัดแจ้งในจิตใจด้วยปัญญาญาณอันนี้มันต้องสรุปออกมาเป็นเรืเดียวกันเลยคือมันยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้เลยในขณะนั้นในขณะจิตนั้นเนี่ยในวิธีจิตที่มันเกิดขึ้นนั้นมันสรุปของมันได้มันตัดสิงของมันได้เด็ดขาด ไม่มีใครไปทํามันเป็นของมันเองเพราะเหตุปัจจัยมันถึงพร้อมพระพุทธเจ้าก็ตัดรับรองขึ้นมาทันทีอัญญาสีวัตโภคนทำอยู่นี่อัญญาโกนทัญญารู้แล้วหนอนี่แหละที่ว่าพระสงฆ์สาวกของพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วคําว่าสาวกสังโคนคือสาวกของเจ้าหมายถึงพระอริยะเจ้าพระอริยะบุคคล ตังแต่พระโสดาบันบุคคลขึ้นไปไม่ได้อาจารย์หรือดวงกระทหรือว่าอยู่ในเพศไหนก็ตามภาคิดดวงเนี้ยมันมันสามารถรู้แจ้งชัดเจนขึ้นมาว่าไอร่างกายจิตใจเนี่ยสี่งที่เราคิดว่าเป็นตัวเราเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เรามันเป็นแค่สภาวะธรรมมันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปรู้แจ้งชัดขึ้นมาในจิตเนี่ยจิตสามารถ พอมันเข้าใจความจริงแล้วมันก็ประหารกิเลสไปได้ด้วยแต่ประหารจะได้บางส่วนต <c oughs> อะนั้นจิตจะต้องเบาเพราะมันมันพอความเห็นแต่ตัวคือความรู้สึกว่าเป็นตัวเราน้อยลงไปเนี่ยมันจะเบาทันทีเลยเพรตฉะนั้นท่านพิจาว่าทุกของพระโสดาบันบุคคลเนี่ย <c oughs> ทเทียบ <c oughs> ทเทียบกับทุกของเขาปุถุชนในสมัยที่เป็นปุถุชนอยู่หรือคนอื่นที่เป็นปุถุชนเนี่ยทุกข้าภูเขาแต่พระโสดาบันเนี่ยทุก ข, ข้าวกิเลส พรือพระผูเจ้าจะพรลานาเลยว่าสมบัติที่พระสมุดาบันได้มาเนี่ยคือความเป็นพระโุดาบันเนี่ยมันประเสริฐกว่าสมบัติของพระมหาจากักรพรรดิเนี่ยคือมันไปเทียบกับวัตถุข้างนอกแล้วเนี่ยคุณค่าของมันสูงกว่าประเสริฐกว่าเพราะมันมีความสุขใจมันมีความสบายใจอำนาจของธรรมะที่ท่านได้ได้รู้แจ้งเนี่ยมันบรรเทาความทุกข์ลงไป เหมือน ม, นมันมันละลายความทุกข์ที่อยู่ในใจเนี่ยมันมันลดลงไปอ่ะไอไอไอไอชั่วที่จะมาทําให้เราใ ห, ให้ให้เป็นทุกข์อ่ะมันน้อยลงไปแล้วอะคิดดูก็แล้วกันความสุขมันจะมากขนาดไห น, นที่เราเป็นทุกข์อยู่ขนาดเนี้ยก็คือความลุ่มหลงว่าเป็นเรามันก็ต่อเกิดเป็นกิเลสเป็นปัญหาเอออย่างเราเราอยากได้นู่นได้เนี่ยเนี่ย บางทีบางทีบางทีไม่มีเหตุผลที่จะเอานะ่ะถ้าหากว่ากําลังของเราสู้มันไม่ได้มันมีอํานาจเหนือเราเนี่ยโอ้มันดีบคั้นนะถ้าไม่เอามันก็เป็นทุกข์อ่ะบาที่เอามาแล้วก็เป็นทุกข์อีกแบบหนึ่งด้วยนะที่เอามาทมาําไมเนี่ยมันมาคิดย้อนหลังดูบางทีมันก็มาตาหนิตัวเองอีกแบบนะึ่มันก็ทําให้คิดรุ่งไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันมันมาซ้ําเติมเราทีหลังก็มี เพราะฉะนั้นเราต้องเอามันมาเป็นเครื่องมือฝึกจิตฝึกใจของเรามันจะเป็นยังไงเพราะทางหน้าที่ของเราตอนนี้คือตามดูแล้วต้องมารู้กับให้ทําปัจจุบันแล้วมารู้อยู่ที่จิตของเราแนละ้วมันมีอาการอะไรก่อเกิดทีจิตใจของเราบ้างตอนแรกมันเป็นยังไงมันว่าอย่างไงทีนี้คือกำลังเรียนรู้กําลังศึกษาเรื่องจิตใต่อมามันว่าอย่างไรมีประสบการณ์อันเนี้ที่เราเราเริ่มที่จะ มีสติเข้ามาควบคุมจิตใจของเราดูแลจิตใจของเรารักษาจิตใจของเราเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจตัวเองก็คือเข้าใจความหลงผิดของเราเข้าใจกิเลสปัญหาภายในจิตใจของเราเข้าใจความจริงสภาวะที่เป็นจริงอยู่ตามธรร ม, รมชาตินั่นแหละเนี่ยมันจะเป็นนันเดียวกันเราเราจะมองในแง่ไหนมุมไหนอะ ภาวะอันเเนาความจงที่ันเจตามธรรมชาติของมันเนี่ยพอผู้เจ้าสอนแนะนำไปเนี่ยอัญญากรมอัญญาท่านมีความพร้อมท่านก็มีดวงตาเนี่ยสามัรรู้แจ้งได้มาดังยในเมื่อเราก็มายังกับ อาวุกของพระองค์เราก็อาศัยอาศัยหงลอยของพระพุทธเจ้าอาศัยวิถีทางที่พระพุทธเจ้าดำเนินมาเพื่อให้เปิดกาลังใจเราเราระลึกขึ้นมาหอสถานที่นี้เป็นที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธ ร, รรมโปรดสาวกของพระองค์ครั้งแรก <S <S เราก็มีโอกาสมานั่งฟังธรรมเหมือนกันนะ มันนั่งฟังธรรมในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประกาศครั้งแรกมันก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐมันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในความทรงจําของเราได้มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตเราเราครั้งหนึ่งในชีวิตนะเราเกิดมาแล้วจนอายุป่านนี้แล้ว มีโอกาสได้ไปฟังคำของพระพุทธเจ้าในสถานที่ที่พระพุทธเจา้าโปรดสาวกของเขาครั้งแรกแล้วก็มีพระอริยสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรกด้วยเนี่ยมันก็อนุอนสอนทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีกําลังใจมันมีพลังที่จะปฏิบัติตามพระพุทธเจา้าถ้าเราไม่ได้มา บางทีเราก็ตัวศีกษาไปกติบากไปมันก็เหมือนกับว่ากำลังพลังของมั น, นมันอาจจะน้อยกว่าด้อยกว่าก็เป็นได้แต่พอมายังสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมโสาวุของรครั้งแรกแล้วก็มีพระพุทธเจ้ามีพระอริยเจ้ามีพระอริยสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรกเราก็ได้มาฟังธรรม สร้างทรรของพระพุทธเจ้านี่นแหละซึ่งสืบทอดมาจนถึงเราอ่ะยังสถานที่นี้เราก็ทําให้เกิดกําลังใจเกิดพลังใจอาศัยล่องรอยของพระพุทธเจ้านี่นแหละอาศัยสถานที่ที่พระพุทธเจ้าโปรสาวกรราของพระองค์ครั้งแรกนี่นแหละสร้างกําลังใจขึ้นมา ว่าเราจะพยายามปฏิบัติตามคําั่งสอนของพระพุทธเจ้าในเมื่อความจริงที่พระพุทธเจ้าออกมาเปิดเผยอ่ะมันเป็นอันเดียวกันพระพุทธเจ้านะ่ะเปิดเผยความจริงนะเอาความจริงมาเปิดเผยเนี่ยแล้วสามมุกของโลนะ่ะยังเข้าไปถึงความจริงจิตเนี่ยมันไปเข้าไปรู้ความจริงแล้วมันก็ปล่อยวาง สภาพธรรมวันนั้นน่ะให้อยู่ตามความเป็นจริงของมันไม่ได้ทําอะไรเลยถ้ า, าจะว่าตามจริงเลยนะถ้าจะทําก็คือเตรียมจิตเตรียมใจของเราเน่ะให้มีความพร้อมให้มันมีความมั่นคงให้มันมีความเข้มแข็งให้มันมีความตั้งมั่นเพื่อให้สภาวะความเป็นจริงแจ้งชัดขึ้นนะถ้ามันถ้าหากว่ามันมีแต่ไ อ, อ้กิเลสหงุม มีแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้มาห่อหุม้มไ อ, ไอ้จริงนั้นอ่ะมันมันมันชัดแจ้งกว่ามองลงไปก็เห็นแต่ความคิดนิสัยจงแต่งกุ้มลุมจิตใจเราอยู่อ่ะมองลงไปเมื่อไหร่ก็มีแต่เรื่องที่มาทำให้จิตใจเราเศร้าหมองทำให้จิตใจเราเป็นมัวเดี๋ยวอารมณ์หนึ่งก็ดึงไปทางซ้ายอีกอารมณ์หนึ่งก็ดึงไปทางขวาอเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ดึงไปดึงมาคิดเราไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะ อยู่แต่กับไอ้เรื่องราวที่เป็นวัตถุข้าง <cuanto S 1> อนอกวัตถุข้างนอกการข้างนอกมันมาพุ่มลุ่มหมดเลยอ่ะมันปกติความจริงหมดเลยเรื่ที่มันไม่เห็นธําว่าองเที่เนี่ยหมายความว่าไอ้เรื่องราวต่างๆะที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรามันมาห่อหุ้มจิตใจเราไว้มันมากุ่มลุมจิตใจของเรามันก็เลยมาปกติความจริง เราไม่เห็นความจริงเห็นแต่ไอ้จรงที่มันมากุ้มลุงเนแ่จมันมาเข้ามากุ้มลุงเข้ามาห่อหเนี่ยเขากีบัดเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างเดี๋ยวก็โกล่เชิงขึ้นมาเดี๋ยวน้อยเนื้อต่ําใจขึ้นมาเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวกังวลเดี๋ยวหวั่นไหวเดี๋ยวซึมเศร้าเหงาหงอยเดี๋ยวอ้างว้างว้าวี เหมือนมีอะไรบีบคั้นจิตใจทุกทรมานอยู่ในใจิตใจบางทีส่งงุนงันงนงนงวยงงเ น, น, นี่ยมันมีแต่เรื่องเอ่าที่มันมาติดขัดทําเอาไว้มันไม่ได้เราไม่มีพลังพออที่จะสลายไอ้พวกนี้ออกไปมันจึงต้องมาดําเนินตามทางของพระพุทธเจ้าต้องสร้างกําลังใจของเราขึ้นมากําลังสติเนี่ยต้องเตรียมอยู่เรื่อยสํารวมอยู่เรื่อยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้สํารวม คำรวมอีกทีตาหูจหมูกลิ้นกายใจถ้าเราสํารวมเอาไว้เนี่ยอย่างที่วเห็นเหตุการณ์มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นซับเนี่ยถ้าเราวางท่าทีได้ถูกต้องเราสํารวมอยู่เนี่ยเราคอยเอาประโยชน์จากมันคอยดูว่าเอเดี๋ยวมันเกิดแล้วมันต้องแบบอย่ามันมีผลยังไงกับจิตของเราเรายอมรับไปก่อนหรือว่ากําลังเรายังไม่พอความพร้อมเรายังไม่มีอ่าเราก็เอาเหตุการณ์นั้นมาศึกษา พร้อมเป็นทุกข์อย่างนี้นะมันหยุดทันใจอย่างนี้นะเราอดทนไปอดทนไปจิตเรามีกําลังขึ้นมาเรารู้ทั่วถึงมันเมื่อไหร่มันก็แค่ดับไปเนี่ยมันจะเห็นความเกิดดับอย่างเนี้ยเนี่ยจริงๆไม่ได้ไปทําอะไรมันมากหรอกคือคือตั้งท่าสังเกตรอความพร้อมภายในจิตนั้นเองเนี่ยถ้ากําลังยังไม่พอมันความพร้อมยังไม่ถึงมันนะโมมันต้องหยุดทันใจเราก่อนนะมันต้องทําให้จิตใจเราเป็นทุกข์ก่อนนะ เพราะนั้นทางดําเนินของพระเจ้าบางข้อสูตรเนี่ยพระเจ้าสอนว่าให้ความทุกข์เนี่ยมันทำให้เกิดปลาโมดเนี่ยเกิดปลาโมดก็คือเห็นมันทุกข์แล้วมันดับไปทุกข์ยิ่งมากพอมันดับไปสุข ก, ก็ยิ่งมากด้วยปลาโมดมันก็ยิ่งมากด้วยจิตก็ยิ่งมีกําลังใจปัญญามันก็ยิ่งมีพลังเนี่ยเพราะนั้นทางของพระเจ้าเนี่ยที่พระเจ้าประทานเอาไว้ก็คือให้เข้ามาอยู่กับปัจจุบันนี่แหละถ้าจะพูดจะย่อนะ สำรวมจิตใจมีสติควบคุมจิตใจเราไว้ให้จิตใจเรามีความสงบให้จิตใจเรามีความสบายให้จิตใจเรามีความสุขเนี่ยพอมีความสุขแล้วจิตใจเราเป็นสมาธิเนี่ยมันก็ต้องมีความสุขนะบางคนพอสุข ก, ก็จะกลัวติดสุขอะไม่ต้องไปกลัวเนี่ยเราเรารู้มันกันแล้วกันถ้าเรายังรู้ตัวอยู่อะ่ะมันไม่ไม่ใช่มันไม่ติดแต่ถ้าติดเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ย อยากจะสุขอยู่ตลอดเวลาเลยกลัวความสุขหายไปแต่อย่างนี้ติดแล้วพอไม่สุกก็เป็นทุกข์อ่ะยาเอาแต่สุขกันนั้นอ่ะนี่คือติดแล้วแต่ถ้าเรารู้เฉยๆมันสุกก็รู้มันสุกอ่ะมันตั้งอยู่ก็รู้มันตั้งอยู่มันดับไปก็รู้มันตั้งมันดับไปเนี่ย LIKE มันก็เป็นแค่สภาวธรรมมันหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ก็คือเราเห็นจิตเราอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้ไม่ได้ตัิเสธสุขนะมันจะสุกก็สุกโดยหลักธรรมชาติของมันน่ะ แล้วความสุขนี่มันจะเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งของสมาธิเดียร์วันนั้นเป็นพูดองค์ของสมาธิว่าเออใจมันมันมันสงบลงไปแล้วไอสิ่งที่มันมันมารบกวนจิตใจสังขารที่ตึงแต่จิตใจมันน้อยลงไปหรือมันดับไปอย่างเนี้ยมันก็เหมือนน้าที่ไม่มีลมพัดเนี่ยมันนิ่มันสงบเนี่ยแล้วมันก็ใสเนี่ยมันใสมันบริสุทธิ์มันก็เหมือนน้ําที่ไม่มีโคลนตอ้ะ น้ำมันใสอะมองอะไรมันก็เห็นอะไรอยู่ในน้นําเหมือนฉิดเราเหมือนจำพอจิตใจมันเป็นสมาธิเนี่ยมันจะมีความใสอะไรเกิดขึ้นเห็นน่ะสุขก็รู้ว่าสุขอะความคิดมาก็รู้ว่ามีความคิดทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์อะนี้เร า, าเดูมันเดฉยๆมันก็ดับไปเดี๋ยวก็วางทั้งทุกข์วางทั้งสุขอะมันไม่ยึดทุกข์ไม่ยึดสุขก็เห็นว่ามันเกิดดับเกิด ข, ขึ้นตั้งอยู่ดับไปภายในติของเราได้ เราจริงไม่กลัวแล้วมันมีพลังด้วยคือจิตเนี่ยถ้าหาว่ามันมันเป็นสมาธิเนี่ยมันมีกําลังไ อ, อย้ยังยังสุดท้าถ้าจิตไม่มีกำลังนะพออารมณ์อะไรเข้ามามันอ้อยส้อยไปเลยนะมันคล้อยตามไปเลยนะเนี่ยพอมันอยากมันจะต้องการอะไรเนก็ไหลไปเลยอะ่ะพอไม่ได้มันก็ไม่ยอมนะเนี่ยเนี่ยคือคือจิตเราอ่อนแอแล้วเนี่ยถ้าจิตมีกําลังนะมันจะไหลไปไม่ได้ เนี่ยอิจฉาฐานคือมาตัดขาดสะบั้นจะได้ทันทีเลยหรือมันจะไม่สบายขึ้นมาบางทีเนี่นแต่ร่างกายก็เหมือนกันนะมันทำท่าจะไม่สบายเนี่ยแคถ้าหาว่าจิตเราอ่อนแอนะเราก็คอยตามไปคิดปรุงแต่งไปเออกลัวจะไม่สบายอย่างนั้นกลัวจะไม่สบายอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กลัวมันไม่หายนี่เนี่ยมันเริ่มมันเริ่มไหลไปแล้แต่ถ้าจิตนีกําลังนะไม่ได้เรื่องร่างกายจิตตามมันไปไม่ไดะจิตนี้มันจะพึ่งขัง มันเหมือนมันสลายออกไปเนี่ยคือจิตเนี่ยมันมีพลังมันจะเป็นอย่างเนี้ยมันไม่ไปยึดไม่ไปยึดร่างกายไม่ยึดอารมณ์เนี่ยหรือบางทีมันมันไม่เกิดความไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยพอตั้งสติขึ้นมาได้ไม่ไม่เอาเนี่ยอารมณ์เกิดแล้วก็ดับเนี่ยวมันจะหันเข้ามาเอาความจริงมาสอนจิตได้นี่จริงว่ามันต้องเตรียมจิตของเราให้มีความพร้อมให้มีกำลังมันจริงจะมาเห็นความเกิดมารู้เท่าความตใจของเรา ถ้าหาว่ากําลังจิตไม่พอเนี่ย ม, ม, มันไม่เห็นความเกิดดับเรามันไหลไปก่อนแล้วมันเพลินไปก่อนแล้วอไอ้อารมณ์ต่างๆกุ้มลุมจิตใจเราแล้วนี่แหละที่มันเป็นมันไม่ใช่ทางสายกลางก็คืออย่างเงี้ยมันมีอารมณ์เที่ไปหลงยินดีบ้างไปหลงยินร้ายบ้างเข้ามาครอบงำจิตใจเราเข้ามาหุ้มหอจิตใจของเรามันต้องไปจากจิตเรานี่แหละ ที่มันไปนรูปหลงอะไรก็ตามมันไปจากจิตเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ให้เข้ามาให้จิตเป็นกลางกลาให้จิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ให้เอียงซ้ายไม่ให้เอียงขวาตับจิตให้ตั้งมั่นเอาไว้แล้วมันจึงจะเห็นจิตกลางงเกิดขึ้นตั้งอยู่หลับไปเนี่ยต่อมาพระุทธเจ้าก็สอนเน่ยจนกระทั่งปัญจวคีทั้งห้านี่บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้หมดเนี่ยแล้วที่เราผ่านมาก็ยังมีสถานที่ที่ว่า อยัคฆ์ก็สามารถบรรลุภารันที่นี่เหมือนกันในบริเวณนี้เนี่ยที่ว่าตามประวัติก็ว่าท่านเป็นลูกเศรษฐีเนี่ยเหตปัจจัยมันถึงพร้อมก็เกิดความรู้สึกว่านอนไม่หลับขึ้นมาเกิดความว้าวุ่นขึ้นมาในจิตใจเนี่ยท่านก็รู้สึกว่ามันอึดอัดมันขัดข้องเราเราลองนึกถึงว่าบางครั้งจิตเรามันเป็นทุกข์ะนะมันเหมือนมีอะไรค้างคาอยู่ในใจมันเอาไม่ออกเนี้ยเพราะมันขัดข้องจริงๆนะ มันก็คงเหมือนกันแหละที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายหนอเนี่ยที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอมันก็ไม่รู้จะทํายังไงอ่ะพรมพำพึมพำอยู่ในจิตอ่ะหมายว่ามันอยากเอาอะไรออกไปจากจิตอ่ะเหมือนยังไงความทุกข์ที่มันกุ้มลุมจิตไอสิ่งที่มันขวางอยู่ในจิตสิ่งที่มันบีบคั้งจิตใจเนี่ยมันอยากให้ออกไปอ่ะที่มันยังออกไม่ได้มันก็ต้องบ่นขึ้นมาในจิตมันเนี่ยอ่าพี่ว่าบางทีก็บ่นออกมาทางตาทางเสียงด้วยเนี่ยก็เพื่ออะไรอ่ะก็คือระบายออกมาบ้าง เนี่ยมันไม่งั้นมันอึดอัดมันมันมันขมอยู่ภายในเนี่ยแล้วก็เหตุปัจจัยมันถึงพร้อมเดินขึ้นไปดูที่มันเคยไอ้ไอ้ลื่นเลงหน้าลื่นลมอะไรทั้งทั้งสนมน้อยสนมใหญ่อะไรโอ้โหยมันนอนแล้วกี่ระกาน้ํา a ายไหลยืดหยาดเสื้อผ้าแล้วความสวยงามเลยไม่มีเลยอ่ะมันมีแต่สิ่งที่น่ารังเกียจไปหมดเนี่ยน่าเบือนหน่ายไปหมดเนี่ยมันถึงเวลาเหตุปัจจัยของท่านอ่ะเนี่ยคนทายก็ต้องเดินออกจากบ้านแน่ทีนี้ ด้วยอํานาจแห่งบุญกุศลที่เคยทํามาแทนที่จะไปทางอื่นก็บ่ายหน้ามาทางที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ก็เดินตรงมาหาพระพุทธเจ้าที่นี่ขาดข้องเนาะที่มีหมุ่นวายหนอบนมาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็พระพุทธเจ้านี่นะอินทร์บารมีของท่านจะเต็นที่แบารมีที่บามจีนเพียงมารู้แล้วนะก็ไปนั่งรออยู่ใต้ต้นไม้แล้วพอเดินมาใกล้หน่อยตอบไปทันทีเลย ที่นี่ไม่ขัดข้องหนอที่นี่ไม่วุ่นวายหนอคนหนึ่งกําลังขัดข้องคนหนึ่งกําลังวุ่นวายอยู่ในจิตกับพอมีใครที่สอบสวนออกมาที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายก็โดนใจสิทั้บเข้าไปถึงจิตทันทีเลยมาเถะเราจะแสดงทําให้ขับเนี่ยโหมันเหมือนกับมีอะไรที่จะมีความหวังขึ้นมาในจิตทันทีเลยนะอันนี้ต้องยกให้พระพุทธเจ้าอย่างเรามันทําไม่ได้เราก็ต้องสอนกันไปอฟังแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัติทำกันไป ตามกำลังกติสัญญาของเราในฐานะที่เป็นสาวกเดีวยวกันก็ทําหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรขึ้นกันลยาณมิตรเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรของสาวกของพระองค์เ น, น, นี่ยในปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่ามีกัลยาณมิตรที่มีความสามารถหรือมีคุณธรรมใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เราเนี่ยได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าทําให้เราได้ไข่ควรภายในจิตใจของเรา แล้วก็เข้าใจมีความลุ่มลึกมีความลึกซึ้งภายในจิตใจเรามากทำให้มีกำลังใจทำให้มีกำลังสติกรรมาเพิ่มขึ้นทีนี้พระพุทธก็สอนเหมือนกันนะี่แหละให้เห็นว่าเออไอไอมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนหรอกมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดาาับไปแต่ในนั้นว่าท่านท่านก็ไอไอเทศานาตั้งแต่อนุปพิกถาหมายว่าเริ่มตั้งแต่ ทำบุญให้ทามเนี่ยนะมันก็มีความสุขนะมีความสุขแล้วมันก็สบายจากนี้จิตใจสบายต า, ตายไปก็ไปสวรรค์แต่ถ้าหากว่าสวรรค์นเนี่ยตายไปแล้วมันก็ต้องตกอบายภูมิได้เหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนกันเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดนะเนี่ยนอกจากามา ท, ทําจิตใจให้สงบให้ตั้งมั่นมารู้ความจริงปล่อยวางทางความเป็นจริงบ้างรู้แก่แทนกับเราได้ยาก ไปที่มันไปยึดไปรูปไปหลงไปไควฟ้ า, านั้นทีนี้มาเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นของเราอะ่ะมันทําให้เกิดทุกข์ได้เนี่ยถ้าฟังแค่นี้ท่านมาดูเป็นประสาบาการณ์บุคคลคือการที่เห็นว่ามีอะไรมันเป็นอนิจจังทุกขังร่างกาไ ม, ม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยถ้าพลังมันมากพอเนี่ยมันพอทําให้เกิดความลึกซึ้งภายใ น, ใ น, ในใจิตใจโดยความเข้าใจมันประหารกิเลสได้อริยสัจสี่เนี่ยมันชัดแจ้งขึ้นมาในจิตใจเ น, น, น, นี่ย พอทุกมันดับไปเนี่ยนนมีโลกจะอยู่ตรงนั้นเนี่ยนี่ทางปฏิบัติก็คือนี่แหละที่ปฏิบัติกันอยู่นี่แหละเนี่ยนี่แหละจึงเรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปดมันก็เกิดขึ้นที่จิตใจพอยพเห็นพยาศา ก, าากุลบุตรเนี่ยฟังธรรมแล้วบรรลุโสดาบันแล้วพ่อก็วุ่นวายติดตามหาสิที่นี่พร้อมกับบริวารอ่ะติดตามหาว่าลูกไปไหนการบดกลูกไม่ได้ไปไหนเลยเชา้าวันนี้ไม่มีใครเห็นนะก็เดินมาอ่ะ ตามหาก็ตรงมาทางผู้เจ้าประทับอีกอะเนี่ยมาถึงก็ผู้เจ้าก็สอนสอนพ่อยักษ์กาุลุบุก็นั่งฟังอยู่อ่ะฟังซ้ําเข้าไปอีกธรรมะอันเดิมนั่นแหละเยฟังซ้ำไว้ลึกซึ้งเข้าไปอีกบรรลุเป็นพลทหารพ่อบรรลุเป็นเสนาันเนี่แล้วก็บริวารเพื่อนของพญายักษ์54ลูกบรรลุเป็นลพนลทหารด้วยก็เลยรวมเป็นสาวกของเจ้าตรงเนี้ย60องค์พอดีเลย ายัจะพร้อมกับเพื่อนห้าสิบห้าปัญจวัคคีซึ่งบรรลุก่อนหน้านั้นแล้วห้าเป็นหกสิบกับผู้เจ้าอีกก็เป็นหกนี่แหละที่ผู้เจ้าถือว่าตรงนี้ก็เป็นที่เผยแผ่ธรรมะครั้งแรกของเจ้าเหมือนกันพ อ, อ, อสาว ข, ของพระองค์ครบหกสิบองค์อันนี้อันนี้อยู่ตรงนี้ผู้เจ้าก็จำพรรษาแรกอยู่ที่นี่ก็เลยพอ ได้เวลาแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ตัดกับสาวก <c oughs> ซึ่งเป็นพระอรหันต์ซึ่งพระพุทธเจ้า <c oughs> บวชใหนะ้คือให้เป็นภิกษุมาเถิด่ะแล้วก็ให้ไปเผยแผ่พระธรรมคํ า, าำคำสอนของท่นเดียวว่าเป็นประกาศพมจันทร์เพราะฉะนั้นอริยมรรคในองค์แเนี่ยเรียกอย่างหนึ่งว่าเรียกว่าพมจันท์ประพฤติพมจันทร์ตามเจริญมรรคในองค์แปดหรือการปฏิบัติของเรานี่แหละเรียกชื่อหนึ่งว่าเป็นการประพฤติพมจันทร์ ถ้าหากว่าบรรลุธรรมเป็นพระสวดาบาลบุคคลขึ้นไปนี่ท่าเรียกว่าพรหมจารีหมายถึงผู้ที่ประอบพุทธพรหมจรีเรียบร้อยแล้วพรหมจร์มันเกิดขึ้นแล้วการดําเนินชีวิตที่ประเสริฐเกิดขึ้นในจิตใจแล้วนี่มันเป็นเรื่องราวทางจิตใจเป็นเรื่องราวทางจิตยินยามที่มันเข้าถึงสภาวะความเป็นจริงที่มีอยู่ตามธรรมชาติ แล้วความลุ่มหลง ม, มันน้อยลงไปเนี่ยจิตใจมันก็เลยพอมันรู้ความจริงแล้วมันปล่อยวางตามความเป็นจริงแล้วใจมันก็เลยสงบแล้งครับมากขึ้นกิเลสมันเบาบางลงไปแล้วสิ่งที่จะมาครอบงํามามีอิทธิพลต่อจิตใจเราของเรามันเบาบางลงไปนี่แหละทางที่จะดับทุกข์ได้มันต้องมาลดละกิเลสด้วยอํานาจของการปฏิบัติธรรม จะไปบังคับอย่างเดียวเจตใช้เจตนาอย่างเดียวมันไม่ได้นะกําลังมันมากไอ้พวกกิเลสเนี่ยหจะไ อ, อ้ฐานจิตแล้วฐานจิตอีกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สู้มันไม่ได้บางทีแท้มันก็มีบางทีมันตีกลับเลยนะมันเอาแรงกว่เก่านะเ่ยเพราะฉะนั้นต้องเจริญ อ, อริยมรรคในองค์ปดตามทางดําเนินของพระพุทธเจ้าทีนี้นเมื่อเรามายัางที่นี่แล้วก็ให้เราตั้งใจนี่แหละตั้งใจว่าเอ้ ย, อย่างที่อยากได้ ย้ำแล้วย้ำอีกก็คือว่ามันเป็นที่แสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้าโปรดทาบวกของพระองค์เราได้มานั่งอยู่ตรงนี้บริเวณนี้ถึงแม้จะยังไม่เหมือนกับทั้งพุทธเจ้าก็ ก, ก็ก็ตามแต่มันเป็นสถานที่เดียวกันและเราก็ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยเราก็น้อมเอาธรรมะเข้ามาไว้ในใจของเราทําให้จิตใจของเราเนี่ย มันเหมือนกับว่ามีธรรมะเป็นที่พึ่งสมกับที่พระพุทธเจ้ากับสอนสาวกของพวกบ่อยๆเธอจงมีตนเป็นปฏจจัเธอจงมีตนเป็นสารนะเธออยามีอย่างอื่นเป็นสรณะเลยเธอจงมีธรรมเป็นปัจจัเธอจงมีธรม ร, ธมรมเป็นสารนะเธอยามีอย่างอื่นเป็นสรณนะะเลย ทำเป็นสารนาคือยังไงพิจาณากายในกายหนึ่งเนืองนี่คือเป็นสิ่งเวลาที่จะพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติก็คยวให้มาเห็นร่างกายเราที่นากายในกายหนึ่งเนืองมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะและความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้พิจารณาเวทนาในเวทนาหนึ่งเนืองมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะ ละความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียได้คิดเจรนาจิตในจิตเมืองเมืองมีความเพียรมีสติคำปฏิจญะละความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้พิจารนาธรรมในธรรมเมืองเมืองมีความเพียรมีสติคำปฏิจญะละความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียให้ได้ แล้วจิตก็จะถึงที่จิแห่งทุกข์ด้วยประการฉะนี้เนี่ยพระเจ้าสอนอาไว้สุดท้ายต้องดําเนินไปสู่ความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นการอุบัติขึ้นมาของพระพธทธเจา้าก็เพื่อดับทุกข์ในพระไทยของพระองค์ด้วยพระองค์เองแล้วก็ประทานคำสอนเอาไว้เพื่อให้สาวกของพระองค์เนี่ยพบทางที่จะดับทุกข์ภายในจิตใจได้มันเหมือนกับว่าทุกคนที่เกิดขึ้นมาเนี่ย มันมีความลุ่มหลงซ่อนเบื่มันทําให้เกิดการเยน็นวายตายเกลือนเราก็จะเบื่อนายทุกอยากมีความสุขอย่างเนี้ย เ, เดี๋ยวก็หาสุขแล้วก็เป็นทุกข์ออทุกข์แล้วก็สุขมากก็ดับไปหายไปเดี๋ยวกว่าไฝคว้าสุขใหม่เนี่ยก็เกิดทุกข์ขึ้นมาทุกข์ดับไปสุขเข้ามาเนี่ยมันสุขสุขทุกข์ทุทอย่างนเนี้ยซ้าแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าเล่าเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละ ที่ท่านรู้ว่าทางที่จะไม่ต้องทุกข์อีกมีอยู่จริงถ้าหาว่าใครหลุดพ้นประจับทุกข์ได้แน่นละหมดงานละไม่ต้องมาดิ้นลนเพื่อหาสุขเพื่อบับทุกข์ในจิตใจอีกอ่ถ้าใครไม่เข้าใจตรงนี้นะไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาเนี่ยเพื่อจะดับทุกข์ภายในจิตใจให้หมดไปให้หมดเรื่องหมดราวภายในจิตสักทีหนึ่งเนี่ยสแสดงว่ามันยังอยู่ห่างไกลพระพุทธเจ้านะ แต่ถ้าใครเข้าใจตรงนี้เออแล้วก็จะพยายามไปตามกำลังนี้ละ่ะตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยเอออันนี้เรียกว่าตรงถ้าประสงค์ของพระเจ้าแล้วเนี่ยถ้าหาว่ามันตรงแล้วเราได้เดินตามทางของพระเจ้าแล้วเนี่ยอย่างน้อยมันก็ใกล้เคียงล่ะใกล้คิดกับพระองค์เข้าไปนี้เรื่ยเนี่ยทีนี้ไอ้ไอทางดําเนินไปเนี่ยพอบรรลุพระอ่าตัดาบันบุคคลแล้วเนี่ยบางทีพอมัรรยาณเนี่ย หมายถึงว่าจี่มันมันบรรลุดาบันปฐมโสดาบันปฐมผลแล้วเนี่ยจิตเนี่ยมันก็จะเดิมเริ่มเริ่มต้นใหม่เหมือนเหมือนกับว่าต้องมาที่ดาขันห้าใหม่ไหมมันต้องมาปฏิบัติอย่างเก่านั่นแหละปฏิบัติไปจนมันแจ้งชัดแล้วไปหันสิเรตอีกรอบหนึ่งเนี่ยแล้วก็ตั้งตั้งปฏิบัติอีกเนี่ยทีนี้มันความละเอียดมันจะค่อยละเอียดลงไปเรื่อย โดยโดยอริยมรรคในองศาในีลัะช่วงกระทั่งหมดการหมดงานภายในจิตใจแล้วเนี่ยมีมีเรียกว่าบรรลุธรรมแล้วเรียกว่างานการภายในจิตเนี่ยมันจะรู้ขึ้นในจิตเองคือจิตไม่รู้จะไปทํางานอะไรมันก็จะรู้แต่ว่าอ๋อเนี๋ยจิตมันมันเหมือนกับว่ามันวางหมดแล้วตัวจิตเองก็ว่างเปล่าเนี่ยที่สำคัญคือจิตเนี่ยมันว่างตัวจิตน่ยมันไม่ใช่จิตอีกต่อไป มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งไปแล้วแต่ว่าโดยสมมุติอ่ะมันเป็นจิตแต่โดยธรรมชาติอ่ะมันเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งเท่านั้นมันไม่ยึดจิตอีกต่อไปความเป็นตัวเราเป็นของเรามันก็เลยหมดไปพอมันหมดไปเนี่ยมันก็เหลืออยู่แต่ว่าเอออชีวิตเนี่ยควรจะดําเนินไปยังไงเนี่ยมันก็ยังมีอีกนะมันถึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมานะอ๋อพระพุทธเจ้าเนี่ยพอพระปัญญาที่คุณท่านสมบูรณ์แล้ว ถ้าบริ ral, สุทธิ์พิคุณเนี่ยคือจิตของท่านบริสุทธิ์แล้วเนี่ยพระมิพระมหากรุณาพิคุณเนี่ยมันเป็นเตีเ่ยนเลยความเป็นตัวตนเป็นตัวเราไม่มีต่อไปอ่ะทําเพื่อตัวเองอะ่ะมันไม่มีมันมีอย่างเดียวนึกถึงแต่คนอื่นทํายัางไงคนอื่นไม่มีทุกข์เนี่ยมันก็นึกถึงแบบนี้ด้วยนะมันไม่ไปนึกถึงอย่างอื่นหรอกเพราะฉะนั้นถ้าจะช่วยมันก็ช่วยว่าเออทํายังไงไอ้ความทุกข์ของแต่ละคนมันน้อยลงไปอ่ะ ความสิทธ์มันถึงจะมีขึ้นมาในจิตใจเพราะมันดูแล้วว่าเทุกชีวิตเนี่ยมันทุกจริงๆเพราะไอ้จิตเนี่ยมันมันดิ้นรนมันกัดแกร่งมันมีความหลงสั้นอยู่มันจึงมีความทุกข์เนี่ยถ้าจะดับทุกข์ก็ต้องมาดับที่จิตเนี่ยต้องหาทางให้จิตเนี่ยมันหายโง่หายหลงให้จิตเนี่ยมันมาเข้าใจมาเข้าใจก็คือให้มันมีความรึกขึ้นอยู่ภายในจิตเนี่ยแหละให้จิตเนี่ยมันยังเข้ามายังเข้ามา ให้มันอยู่ในการควบคุมของสติให้มันอยู่กับตัวเองซะก่อนเนี่ยถ้ามันอยู่กับตัวเองได้เราควบคุมมันได้มันอยู่แล้วทีนี้มันจะค่อยมีกําลังขึ้นคือมีความตั้งมั่นเพราะฉะนั้นที่ปฏิบัติอยู่เราจริงว่ามันยังไม่ถึงขั้นที่มันจะมาตั้งมั่นมันยังไม่เข้าสู่ความเป็นสติปัฏฐานสี่ภายในจิตอย่างแท้จริงบางทีมันมีรูปแบบเรียกว่าสติปัฏฐานสี่แต่ว่าโดยจิตเนี่ยโดยธรรมชาติของจิตมันยังเข้าไม่ถึงสติปัฏฐานสี่ที่แท้จริง มันจึงเรียกว่ามันยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะนั้นมันก็เลยมีการถกเถียงกันว่าวิธีไหนเป็นวิปัสสนาวิธีไหนเป็นสมถธาิงจริงถ้ายังไม่ถึงขั้นสติปัญญาสิ่งจริงจริงเนี่ยมันยังไม่เห็นความเกิดดับเนี่ยมันยังเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยมันก็ยังอยู่ในขั้นที่ว่าจเจริญสติเพื่อให้จิตสงบเพื่อกําลังเตรียมจิตอยู่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้น ใครจะภาวนาอย่างไงเตรียมติดอย่างไงอันนี้เราจะไม่มาถกเถียงกันให้เสียเวลาหรอกใครจะพุโทโธก็ได้สัมมาหลานก็ได้คลองน้อยยุบนอก็ได้อาณาปณะสติก็ได้เพระนั้นเจ้าที่ตรัสเลยว่าอาณาปณะสติสมบูรณ์อยากทําให้กิตปัญญาสมบูรณ์เนี่ยมันก็คือหลักเดียวกันนั่นแหละพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็วางพุโทโธมันก็มาอยู่กับลมอ่ะม้อง็กลายเป็นอาณาปณะสติคองนอยยุบนอไป สุดท้ายพองน้อยอยู่หนอมันก็ไม่มีมันก็มาหาลมเหมือนกันเนี่ยเนี่ยต้นลมปลายลมสุดท้ายมันก็ไม่มีต้นลมไม่มีปลายลมเนี่ยก็คือธาตุลมธาตุลมคือไปธรรมชาติอันหนึ่งมันไหวตัวมันเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะให้เกิดการหย่อนการตึงแต่ก็คือธรรมชาติเป็นสะพาะธรรมชาติอันหนึ่งถ้าอย่างนี้มันจะเข้ามาเป็นอันเดียวกันเลยเราจะไม่แบ่งแยกเลยว่าใครปฏิบัติยังไงจะเดินเร็วเดินช้า จะวิ่งจะทำอะไรอยู่ก็ตามแต่ถ้าหาว่าภายในจิตเนี่ยมันมารู้แจ้งอยู่ภายในในปัจจุบันนี่แหละเห็นว่าออลูกนามมนเนี้ยมันเกิดขึ้นตั้งหีดับไปมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยู่อย่างนั้นเนี่มันจะเป็นทางไปเพื่อที่จะปล่อยวางเพื่อที่จะหลุดพ้นไปจากลูกในวัฏ ส, สงสารให้คำนวณจิตใจนะักบูชา แต่เองทำแล้วอย <c oughs> ากให้เราเนี่ยได้สํารวมจิตใจได้ปฏิบัติจิตใจของเราเนี่ยว่าเออธรรมะของพระพุทธเจา้าเนี่ยคือเราได้ยินได้ฟังแล้วที่มันเข้ามาอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราก็รู้แล้วเราเข้าใจแล้วเสียงก็สักแต่ว่าเสียงเนี่ยมันอยู่ข้างนอกอส่วนจิตของเราปัิจายภายในจิตของเราก็ธรรมดา บางทีมันมันมีหูอ่ะมันก็ต้องได้ยิ น, นได้ยินแล้วเราก็มาควบคุมจิตมาดูจิตจิตเนี่ยปฏิยาของจิตเป็นยังไงเราก็ได้เห็นธรรมชาติของจิตเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนอะอะไรเกิดขึ้นก็สั์แต่ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปต้งมันเนี่ยหรือว่าท่านสอนมรคควิธีที่ง่ายที่สุดก็คือว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามไม่ว่าเกิดขึ้นทางตากระสับแต่ว่าเห็นเกิดขึ้นทางหูกระสับแต่ว่าได้ยิน เกิดขึ้นทางทางจมูกทางลิ้นทางกายสัตวแต่วรู้สึกเนี่ย<อ>เกิดขึ้นทางใจรู้แจ้องอารมณ์ทางใจก็สัตว์แต่ว่ารู้เนี่ยสรุปแล้วคือสัตว์แต่วรู้สัตว์ดูสัตว์แต่เห็นเนี่ยถาหาว่าเราควบคุมจิตของเราอยู่ได้เราก็จะเห็นสภาวะต่างๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ตับไปเหมือนว่าเป็นธรรมชาติเหมือนว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจิตเราก็ปิดกลางเดี ย, ยว่ามัชฌิมาปฏิปทาภายในจิต ดำเนินไปตามอริยมรรคมีองค์แต่ทางดําเนินของพระพุทธเจา้าเนี่ยมันจะเข้ามาสู่ธรรมของเจ้าหมดแล้วก็สรุปลงว่าเธอจงมีธรรมเป็นประที่เธอจงมีธรรมเป็นสาธารเธออย่ามีอย่างเป็นสาธารเลยซึ่งเราก็กําลังปฏิบัติเพื่อให้มีธรรมของพระพุทธเจา้าเป็นที่พึ่งภายในใจิตใจของเราทำให้เราภาวนาบชาูชาพระเจ้าต่อไปสักระยะนึ่ เราทำความรู้ตัวนะอยู่กับปฏิบัาิสังเกตดูว่าจิดเราีูยังไงนะเราทำอะไรมีมู่ยอะไงภาพุทธเจสอนเราให้ให้เข้าใจอาสพัตภูมนะิมีกัลยาณมิตรและก็ให้ฟังพระธรรมและก็เอามาใข้ควรโยนโส ม, มารสิการ ให้เกิดขึ้นภาในจิตใจของเราจากนั้นพระองค์ก็สอนให้ปฏิบัติทำย่อยคล้อยแก่ทำใหญ่หมายว่าปฏิบัติไปมันรู้เห็นยังไงรู้ปัจจุบันเรื่อยไปเรื่อยไปถ้าว่าเราให้ความอยากนำหน้าเนี่ยมันจะบีบคั้นเราเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากได้อย่างนั้ น, อ ย, อ, ย น, นอย่างนี้นี่แหละที่มันเป็นปัญหาที่มันคุ้มลุมเราก็เพราะว่าความอยากมันมีกําลัง อยากเป็นน่นนี่อยากได้นั่นได้นี่อยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ความอยากนำหน้าหมดแต่ถ้ า, าว่าเราวางใจถูกต้องปฏิบัติทาย่อยคล้อยแก่ทาใหญ่ก็คือว่าให้เรามีสตินี่แหละค่อยๆรู้ไปแจ้งชัดไปปัญญาสติส ม, มาธิปัญญาศรัทธาความเพียรค่อยๆมีขึ้นเต็มขึ้นค่อยๆมีกำลังมากขึ้นเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าเนี่ยยินตอบตอบคําถามว่าเอ๊ะการที่คนบรรลุธรรมเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีกี่ชนิดอ่ะพระเจ้าก็ตอบว่ามันมีอยู่สี่ประเภทหนึ่งปฏิบัติลําบากแล้วก็บรรลุช้าสองปฏิบัติลําบากแต่บรรลุเร็วสปฏิบัติสบายแล้วก็บรรลุช้ากับปฏิบัติสบายแล้วบรรลุเร็ว พระองค์ก็อธิบายต่อไปว่าที่ว่าปฏิบัติลําบากคือยังไงปฏิบัติลําบากก็หมายความว่าจะต้องมาทําเตรียมจิตเตรียมใจเราเนี่ยเสียก่อนก็คือว่าน้อมเข้ามาพิจารณาร่างกายให้เห็นว่ามันเป็นปฏิกูณโศกโรคไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคือมีสติอยู่อย่างเนี้ยอบรมจิตเราไปเนี่ยเนี่ยแล้วก็ให้เห็นว่าพวกอาหารอะไรนี่ก็เพืประโยชน์ต่อร่างกาย มันเป็นแค่ธาตุดินน้ำลมไปนะไม่ได้เพื่อบำรุงบำเล อ, อตัวเองนะเนี่ยอร่อยก็รู้ว่าอร่อยมันดีก็รู้มันดีแต่ว่าไม่ไปไม่ไปเอามาเพื่อบำรุงบำเลอตัวเราให้เห็นว่ามันมันเพื่อประโยชน์ต่อร่างกายหรือเห็นว่ามันเป็นธาตุหล่อเลี้ยงธาตเศ่านั้นไม่จิตไปยึดไปจิตไปคล้องแล้วก็เห็นว่าโลกนี้มันน่าเบื่อนหน่าเราไปทางไหนทางไหนนี่ก โอ้ oh, แต่ละคนเนี่ยมันก็แสดงออกไปตามอำนาจตามความอยากความต้องการอย่างก่อนจะเข้ามาเนี่ยเด็กก็เออเข้ามาขอหนุนขอนีอ่ชี้ที่ปากบ้างเอออยากได้ขนมอยากได้นันได้นี่เนี่มันก็วนเวียนอยู่อย่างนเนี้ยเห็นโลกกันถึงว่าให้ใ ห, ให้เห็นว่าโลกนี้ไม่น่ายินดีเลยแล้วก็สังขารเนี่ยมันก็มีแต่ความเปลี่ยนแปลงทุดโทรมไปอย่างที่นี่เมื่อก่อนน่าจะเป็นป่าเออเดี๋ยวนี้ก็เหลือแต่ซากสลับหกัหกพังเนี่ยเป็นแค่ อันนี้สอนถึงว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็มาประทับแสดงธรรมครั้งนี้ตรงนี้เป็นครั้งแรกโปรดสาวกของพระองค์เนี่ยมันก็มีไอไอสิ่งที่หลงเหลืออยู่แค่คุณงามความดีหรือว่าล่องลอยที่พระองค์พาดําเนินมาเท่านั้นเนี่ยส่วนไอไอความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นสังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยถ้ามันชัดแจ้งคือในจิตเราจิตเราคลาย ความยึดมั่นถือมั่นความรุ่มหลงออกไปเนี่ยเนี่ยมันจะตรงกับเป้าประสงค์ของพระพุทธเจ้าแล้วที่สําคัญท่านว่าให้มีสติเข้ามาให้จิตมีอยู่ภายในมีสติอยู่ภายในจิตภายในกายของเราเนี่ยแล้วก็เห็นว่าสิ่งเหล่าเนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสภาวะธรรมต่างๆอะเป็นไปตามสภาพแห่งธรรมชาติไปตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยให้น้อมเข้ามาอย่างนี้ทีนี้ถ้าใครปฏิบัติอย่างนี้ถือว่า อยู่ในทางที่ลําบากก็มันใช้เวลาพ อ, อสมควรหรือว่าทําความเข้าใจมากแล้วก็ถ้าอินทรีแก่กล้าถ้าอินทรีแก่กล้าเมื่อไหร่กําลังมันพอเมื่อไหร่มันประหารกิตเดชได้แต่ถ้าอินทรีมันอ่อนเนี่ยมันจะบรรลุช้าถ้าอินทรีแก่กล้ามันบรรลุเดชเพราะฉนั้นมันจึงต้องการกําลังใจความอาถารภายในใ จ, ใจิตใจหรือกำลังของสติกําลังของสมาธิกําลังปัญญาศรัทธาความเพียร เนี่ยพวกนี้มันทำให้อริยมรกมีองค์แปดเนี่ยสมังคีมรกมีองค์แปดมันมีกำลังมีพลังมันสามารถที่จะประหารกิเลสได้ทีนี้ที่บรรลุเร็วคือยังไงพวกนี้เคยสร้างบา ร, รมีมาเพราะนั้นจิตสงบได้เร็วเข้ามาเป็นอ่บรรลุปถมฌานพุทธิฌานตติยฌานยาัตุฌานเนี่ยคำว่าฌานก็คือว่าจิตเรานี่แหละมันเป็นในในจิตเรามันเป็นสมาธิ อย่างมาันกำลังดูลมอยู่อย่างนี้ท่านว่าจิตที่มันไปอยู่ลมมันไปดูลมเนี่ ย, ยกเย็เรียกว่ายกจิตขึ้นสู่อารมณ์เรียกว่าวิโตกเนี่ยถ้าเระแวดระวังจิตไว้ควบคุมจิตไว้มันเล็ดเลาะไปทางไหนเนี่ยเรียกวิจารเด็กคือจิตทํางานอยู่ภายในถ้ามันเกิดความปีติความสบายความอิ่มอกอิ่มใจเนี่ยท่านว่าเป็นปีติถ้าหากว่ามันมีความสุขเนี่ยเรียกว่าสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นเน่ยเป็นองค์องค์องของสมาธิ้าจิต มันเป็นมีอารมณ์เดียวอยู่ทางเรียว่าเอกะคาตารมณ์เนี่ยถ้าพร้อมทั้งห้าอย่างนี้ถ้าเรียกวัตถุมาฌานนี่ถ้าจิตมันนิ่งลงไปอ่ะไอไอไวิตกวิจารณมันไม่สนแล้วมันมาสนแต่จิตเี่ยวกับความอิน เ, เบิกบานอยู่มให้จิตความสุขสงบลมเย็นภายในจิตอ่ะแล้วจิตก็เน่าเป็นอารมณ์เดียวอยู่อันนี้ทาเรีย ว, ว่าทุติยฌานถ้ามันรับมีติได้โอ้มองลงไปเมื่ อ, อไหร่ก็เห็นแต่สุขอ่ะก็จจิตก็เป็นหนึ่งเดียวอยู่เนี่ย อันนี้ท่านเรียกว่าจตุจัชฌามทีนี้ถ้าเอาสุกไม่สุกมันก็ไม่เอาแล้วมันแ่าอย่างเดียวเลยเอเหมือนกับจิตเนี่ยอุเบขาบริสุ Large, here, icha, ทธิ์อยู่ภายในด้วยกําลังของสมาธิอันนี้ท่านเรียกว่าจตุจัชฌามเนี่ยทีนี้ถ้าจิตแต่เ น, นี้ยมันมีพลังขึ้นมาเนี่ยมันขยายตัวออกมาแล้วมันมารู้เอออันนี้ก็ไม่เกี่ยดอันนั้นเกิดแล้วก็ดับความสุขเกิดแล้วก็ดับความสบายเกิดแล้วก็ดับจิตยักไปทางโน้นเกิดแล้วก็ดับความคิดนิยงแต่งเกิดแล้วก็ดับ เรื่อนั้นเรื่องนี้ผล่ขึ้นมาเกิดแล้วกระดับอปรากฏการ์ทางร่างกายเกิดแล้วกระดับปรากฏการทางจิตเกิดแล้วก็ดับอันนี้อันนี้เรียกว่านี่หละมันมันมันกายเป็นปัญญาคืออะไรมันเกิดความรู้ขึ้นอยู่ภายในจิตอ่ะมันแจ้งชัดภายในจิตเนี่ยจิตมันก็ไม่อยากยึดอะไรมันก็คลายมันวางของมันเองอ่ะจิตก็จะเบาโล่งโปทีนี้พรมันมีพลังมากถ้าอินทรียเกิดต้ามันประหานจิตเลยได้มีทำเนียบวารุเร็ว ไอ้อียไม่เก่งก็มันก็บรรลุชา้าเนี่ยนีหลักบรรลุเร็วบรรลุช้าเนี่ยมันจึงขึ้นอยู่กับกำลังของจิตเร็วกว่าอินทรีย์แต่ถ้าว่าปฏิบัติลําบากก็คือมันต้องที่นามากมายรอบได้อีกอันหนึ่งเข้าหาความสงบแล้วที่นาภายในจิตอ่ะเออมันสุขก็รู้มันสุขเนี่ยมันเป็นยังไงรู้ว่ามันเป็นเกิดขึ้นในจิตจิตค่อยว า, ไปไปวางไปวางไปวางไปแจ้งชัดตามความเป็นจริงปล่อยวางตามความเป็นจริงแล้วก็สามารถบรรลุธรรมได้ ที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็คือจิตของทุกคนมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าได้ส่วนช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของแต่ละคนส่วนทางดําเนินไปก็เหมือนกันมันก็เป็นช่องทางของแต่ละคนแต่ว่าขออย่างเดียวว่าเราไม่ทิ้งทางดําเนินไปของพระพุทธเจ้าเอามาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตของเรา ซึ่งเรียกว่าการดําเนินชีวิตประเสริฐหรือประกาศพรหมจรรย์หรือการประพฤติพรหมจรรย์นี่แหละที่เป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าไม่ว่าเราอยู่ในฐานะไหน อ, อยู่ในประเทศใดอยู่ในแบบใดทางดําเนินชีวิตของเราถ้าหากว่ามีเป้าหมายเพื่อที่จะดับทุกข์ทายในจิตใจของเราให้ได้อันนี้คือสาวกของพระพุทธเจ้าแนละ้ว เรากําลังเดินตามทางของพระเจ้าแล้วส่วนช้าหรือเน็วก็อีกเรื่องหนึ่งนะอย่างน้อยเราได้ยินได้ฟังธรรมะของพระโพธิเจา้าทางดำเนินของพระโพธเจ้าก็มาเป็นทางดำเนินภายในจิตใจของเรารอเวลารอโอกาสที่อินทรีย์ของเราเจะแตกกล้แล้วเราก็สามารถจับทุกภายในจิตใจของเราได้ในโอกาสต่อไปอต่อจนี้ให้เรา ตั้งคัิธานหรือปฏิญาณตนเหมือนกับว่าเอาพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นสักขีพยานเหมือนกับว่าเนี่ยสถานที่เนี้ยเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าประกาศอ่าอ่าอ่เผยแผ่ทาสอนของพระเจ้าเรยวแสดงปฐมเทศนาประกาศคําสอนของพระเจ้าทั้งแหล่เนี่ยกับสาวกของพระองค์เราก็เป็นสาวกของพระองค์ก็ต้องอาศัยหล่องรอยของพระพุทธเจ้านี่แหละ อาศัยสถานที่บักเพื่อมันอนุสรถึงพระพุทธเจ้าให้มันมีกําลังมีพลังใจเนื่องจากจิตใจของเราเนี่ยมันโลเลเหมือนกันนะมันหลอกแหลกโลเลเนี่ยมันเอาแน่เอานอนไม่ได้เราจรึงต้องอาศัยหาหาอุบายหาแยบถายเพื่อที่จะให้มันมีพลังมันมายังสถานที่นี้นแล้วเหมือนกับปฏิญาณตต่อนหน้าพระพุทธเจ้าต่ อ, ตอนหน้า ไอ้พวกที่มีหูทิพตาทิพทั้งหลายพวกเทวดาทั้งหลายอริยเทพบ้างเทวดาบ้างที่เขาปกปักรักษาคุ้มครองสถานที่แห่งนี้พอเราปฏิญาณตนอะไรไปเนี่ยพอเรากลับไปแล้วเราเริ่มอินทรีย์เราเย่มอ่อนแอลงไปย่อดหย่นลงไปนึกทบทวนขึ้นมามันจะได้มีกำลังใจให้ไม่ได้เราเหมือนกับว่าจ ะ, ปะจาไปโกหกพระพุทธเจ้าไปโกหกต่ออริยเทพเราเทวดาทั้งหลายพวกผู้ที่ เขาคอยปกปักรักษาคุ้มครองสถานที่แห่งนี้หรือเขามีความเคารพความประทานเลื่อมใสในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เขานูนนาชื่นชมยินดีกับเราแล้วเนี่ยแล้วเราจะไปไปเหมือนกับว่าเโกหกเขาหรือโกหกเราเองนี่แหละมันก็เลยทําให้จิตใจเรามีกำลังมีพลังแล้วก็ตัง้งใจอุทิศบุญความ อ, อานาจพระพุทธเจ้าอํานาจพระธรรมอำนาจพระสงฆ์ จงดนบันดาลบุญของขาาา้าพเจ้าทั้งหลายจนถึงปัจ ส, สุบันให้แก่ดวงวิ ญ, ญญาณทั้งหลายที่ปกปักรักษาคุ้มครองสถานที่แห่งนี้ดวงวิ ญ, ญญาณทั้งหลายที่อยู่บริเวณนี้ดวงวิ ญ, ญญาณทั้งหลายที่กํำลังต้องการบุญาาาจาข้าพเจ้าในขณะนี้รวมทั้งผู้ที่มีความเคารพมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธธรรมพระสงฆ์รวมทั้งผู้ที่คอยช่วยเหลือเพื่อหนุน ผู้ที่มาสแสวงบุญผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมยังสถานที่แห่งนี้ขอให้ท่านได้ทําหน้าที่ของท่านต่อไปให้บริบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็ขอทิศยินให้แก่ญาติเทวดาที่รักษานายเวรของข้าพเจา้าให้แก่ญาติเทวดาที่รักษานายเวรของพ่อของแม่ของสามขรราขีของพันยาของลูกของพี่ของน้องข้าพเจา้าตลอดจนผู้ที่ดวงรับดับไป อํานาจของบุญเนี่ยก็ขอให้ท่านสมความปรารถนาให้สมกับให้ดาทันใดสมความต้องการทุกสิ่งทุกอย่างให้บริบูรณ์สมบูรณ์เมื่อท่านรับบุญเรียบร้อยแล้วสมความปรารถนาแล้วก็ให้มาปกปักรักษาคุ้มครองดูแลช่วยเหลือเท่าหนึ่งข้าพเจาทำสิ่งใดก็ขอให้มีแต่ความราบรุ่นมีแต่ความสําเร็จมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้ยิ่งยิ่ขึ้นไปด้วยเถอด ข้าพระเจ้าจะหมั่นอุทิศบุญไปให้เรื่อยๆไวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะ